สิสทวาทศมาวัคหนึ่งสังวรโรกรรมมันเตกถาว่าด้วยความสำรวมเป็นกรรมหคร้อยสามสิบสกความสำรวมเป็นกรรมใช่ไหมปอรอ์ใช่สกความสำรวมจากขุนศีเป็นจากขุกรรมใช่ไหมปอรอ์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความสำรวมโสตินศีความสำรวมคานินศี ความจำรวมชิวหินสีความจำรวมกายยินสีเป็นกายกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความจำรวมกายยินสีเป็นกายกรรมใช่ไหมปรใช่สกความจำรวมจากขุนสีเป็นจากขุกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความจำรวมกายยินสีเป็นกายกรรมใช่ไหมปรใช่ สกความสำรวมโสตินสีความสำรวมคานินสีความสำรวมชิวหินสีเป็นชิวหากรรมใช่ไหมป ร, รอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความสำรวมมณินสีเป็นมนโนกรรมใช่ไหมป ร, รอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความสำรวมมณินสเป็นมโนกรรมใช่ไหมปรอใช่สก ความสำรวมจากขุนศีเป็นจักข ok ุกกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความสำรวมมะนิศีเป็นมโนกรรมใช่ไหมปรใช่สกความสำรวมโสตินศีความสำรวมคานินศีความสำรวมชิวหินศีความสำรวมกายินศีเป็นกายกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยสาสิบเอ็ด สกความไม่สำรวมเป็นกรรมใช่ไหมปรใช่สกความไม่สำรวมจากขุนสีเป็นจากขุกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความไม่สำรวมโสตินสีความไม่สำรวมคาอินศีความไม่สำรวมชิวหินสีความไม่สำรวมกายยินสีเป็นกายกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ความไม่สมรวมกายยินสี่เป็นกายกรรมใช่ไหมปรใช่สกความไม่สมรวมจักขุนสี่เป็นจักขุกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความไม่สมรวมกายยินสี่เป็นกายกรรมใช่ไหมปรใช่สกความไม่สมรวมโสตินสี่ความไม่สมรวมคานินสี่ความไม่สมรวมชีวหินสี่ เป็นชิวหากรรมใช่ไหมป ร, ป ร, ไ, รไม่คว i̇şte. รกล่าวอย่างนั้นสกความไม่สมรวมมนณีสีเป็นมโนกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความไม่สมรวมมนณีสีเป็นมโนกรรมใช่ไหมปรใช่สกความไม่สมรวมจักขุนสีเป็นจักขุกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกความไม่สำรวมมะนินสีเป็นมนโนกรรมรใช่ไหมปรใช่สกความไม่สำรวมโสตินสีความไม่สำรวมคานินสีความไม่สำรวมชีวหินสีความไม่สำรวมกายินสีเป็นกายกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อสาสองปรท่านไม่ยอมรับว่าความสำรวมก็ดีความไม่สำรวมก็ดี เป็นกรรมใช่ไหมสกใช่ปรพระสุที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิสุในธรรมวิในนี้เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้รวบถือไม่เป็นผู้รวบถือฟังเสียงทางหูรู้ธรรมรมณมทางใจแล้วเป็นผู้รวบถือไม่เป็นผู้รวบถือมีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้น ความสำรวมก็ดีความไม่สำรวมก็ดีจึงเป็นกรรมสังวรก ร, รมมันเตียกะถาจบสองกรร ม, มะกะถาว่าด้วยกรรมห3 3้อสาสิสากกรรมทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปอรอใช่สกเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรใช่สกเจตนาที่เป็นอัพยกฤิฝ่ายวิบากมีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรใช่สกเจตนาที่เป็นอัพยกฤิฝ่ายกริยามีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรใช่สกเจตนาที่เป็นอัพยกฤรฝ่ายวิบากที่เป็นกามวจรมีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรใช่สกเจตนาที่เป็นอัพยกฤรฝ่ายวิบากที่เป็นรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจร ที่เป็นโลกุตระมีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรใช่สกเจตนาที่เป็นอภยากฤิฝ่ายกริยาที่เป็นกลามวจรมีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรใช่สก เจตนาที่เป็นอภยากฤิฝ่ายกริยาที่เป็นรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรมีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกรสามสิ่สกเจตนาที่เป็นอภยากฤิฝ่ายวิบากไม่มีวิบากใช่ไหมปรใช่สกหากเจตนาที่เป็นอภยากฤิฝ่ายวิบากไม่มีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจตนาทั้งปวงมีวิบาก สกเจตนาที่เป็นอภยากฤิฝ่ายกริยาไม่มีวิบากใช่ไหมปร ہ. ใช่สกหากเจตนาที่เป็นอภยากฤิฝ่ายกริยาไม่มีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจตนาทั้งปวงมีวิบ า, สากสกเจตนาที่เป็นอภยากฤิฝ่ายวิบากที่เป็นกลารมราวจรที่เป็นรูปราวจรที่เป็นอารปราวจรที่เป็นโล ก, กุตระไม่มีวิบากใช่ไหม ปอรอใช่สกหากเจตนาที่เป็นอัพยากฤิฝ่ายวิบากที่เป็นโล ก, กุตระไม่มีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจตนาทั้งปวงมีวิบากสกเจตนาที่เป็นอัพยกฤิฝ่ายเคริยาที่เป็นกลามอาวจรที่เป็นรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรไม่มีวิบากใช่ไหมปอรอใช่สก หากเจตนาที่เป็นอัพยกฤิฝ่ายกริยาที่เป็นอรูปราวจรไม่มีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจตนาทั้งปวงมีวิบากหกร้อยสามสิบห้าปรท่านไม่ยอมรับว่ากรรมทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมสกใช่ปรเพราะสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวกรรมที่จัดมีเจตนาทําไว้ สั่งสมไว้ว่าสิ้นสุดเพราะยังไม่สวยผลก็ผลนั้นแหละสัตว์ต้องสวยในอัตภาพนี้ในอัตภาพถัดไปหรือในอัตภาพต่อๆไปมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นกรรมทั้งปวงจึงมีวิบากกรรมกถาจบสสัตว์โทวิปากโกเทกถาว่าด้วยเสียงเป็นวิบาก หกรอยสกสกเสียงเป็นวิบากใช่ไหมป ร, รใช่สกเสียงมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอุทุกขมสุขเวทนาสัมปยุบันด้วยสุขเวทนาสัมปยุบันด้วยทุกขเวทนาสัมปยุบันด้วยทุกขมสุขเวทนาสัมปยุบันด้วยผัสสะสัมปยุบันด้วยเวทนาสัมปยุบันด้วยสัญญาสัมปยุบันด้วยเจตนาสัมปยุบันด้วยจิต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 หากเสียงไม่มีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเสียงเป็นวิบากสกภาษะเป็นวิบากมีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปอรอใช่ส ก, สกเสียงเป็นวิบากมีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ได้ มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเสียงเป็นวิบากไม่มีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกภาษะเป็นวิบากไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้สาสิเจ็ดปรท่านไม่ยอมรับว่าเสียงเป็นวิบากใช่ไหมสอกอใช่ปรเพราะสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเพราะตถาคตได้ทําสังสมพอกพูนเพิ่มพูนกรรมนั้นตถาคตนั้นจึงมีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมตรัสดุดเสียงร้องของนกปาระเวกมีอยู่จริงมิใช่หรือ สกใช่ปอรอดังนั้นเสียงจึงเป็นวิบาาสสะโทวิปากโกติกถาจบสสลายตนะกถาว่าด้วยอายตนะ 6. ห6กห8้อสาสกจักขายยตนะเป็นวิบากใช่ไหมปอรอใช่สกาจาักขายตนะมีสุขโควทนามีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ได้ มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจักขายาตณะไม่มีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจมิใช่หรือปอรใช่สกหากจักขายาตณะไม่มีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า จักขายัตนะเป็นวิบากสกภาษะเป็นวิบากมีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกจักขายัตนะเป็นวิบากมีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจักขายัตนะเป็นวิบาก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 กายยตนะเป็นวิบากใช่ไหมปรใช่สกกายายตนะมีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกายยตนะไม่มีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สก หากกายยตนะไม่มีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากายายตนะเป็นวิบากสกภาษะเป็นวิบากมีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกกายายตนาเป็นวิบากมีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ได้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 ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยสี่สิบปรท่านไม่ยอมรับว่าอายตนะหกเป็นวิบากใช่ไหมสกใช่ปรอายตนะหกชื่อว่าเกิดขึ้นเพราะได้มีการทำกรรมไว้ไมิใช่หรือสกใช่ปรหากอายตนะหกชื่อว่าเกิดขึ้นเพราะได้มีการทำกรรมไว้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า อายตนะหเป็นวิปากสลายตนะกถาจบหสัตตักขตุปรมะ m กถาว่าด้วยบุคล ค, บคลผู้สตักขตุปร r a หร้อยส่สบอ็ดสกบุคคลผู้สตักขตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลผู้สตักขตุปรมะ พรงชีวิตมารดาโปรงชีวิตบิาดาโปรงชีวิ ต, รวตพระอรหันต์มีจิตคิดประทุษร้ายทำร้ายพระธถาคตจนพระโลหิตท่อทำลายสงให้แตกกันได้ใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอบุคคลผู้สัตย์ตักขตุปร r a เป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมปอรใช่สอกอบุคคลผู้สัต์ตักขตุประมะนั้น เป็นผู้ไม่ควรที่จะได้บรรลุธรรมในระหว่างใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ศัตริตะขะตุประมะเป็นผู้ไม่ควรที่จะได้บรรลุธรรมในระหว่างใช่ไหมป ร, รใช่สกเขาปรุงชีวิตมารดาปรุงชีวิตบิดาปรุงชีวิตพระอรหันต์มีจิตคิด ป, ประทุษร้ายทำร้ายพระตถาคตจนพระโลหิตท่อทำลายสงให้แตกกันได้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้อสี่สสองสกบุคคลผู้สัตว์ตักขตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้สัตว์ตักขตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยมักอันแน่นอนใดมักอันแน่นอนนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกบุคคลผู้สัตย์ตักระตุประมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิธิบาทอินทรียภะละโภชงเหล่าใดสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิธิบาทอินทรียภะละโภชงเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยสี่สิบสามสก บุคคลผู้สัตตัคตุประมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยมับอันแน่นอนใดมับอันแน่นอนนั้นไม่มีใช่ไหมปรใช่สกหากบุคคลผู้สัตตัคตุประมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยมับอันแน่นอนใดมับอันแน่นอนนั้นไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า บุคคลผู้สัตตักขตป a r ะ m a เป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งสกบุคคลผู้สัตย์ตักขตุป a r ะ m a เป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยสติปฐานพ่อชงเหล่าใดสติปฐานพ่อชงเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรใช่สกหากบุคคลผู้สัตยตักขตป a r ะ m a เป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่ง ด้วยพวชงเหล่าใดพ่ชงเหล่านั้นไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้สัตตัคขตุประมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งโคกร้อยสี่สิบสี่สกบุคคลผู้สัตตัคขตุประมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมปรใช่สกด้วยการกําหนดแน่นอนคือสกทาคามีใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกด้วยการกำหนดแน่นอนคืออนาคามีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกด้วยการกำหนดแน่นอนคืออรหัตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกด้วยการกำหนดแน่นอนอะไรปรด้วยการกาหนดแน่นอนคือโสดาปิผลสกบุคคลผู้สัตย์ตักขตุปรมะ เป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมปรใช่สกเราชนที่ก้าวลงสู่โสดาปฏินิยามทั้งหมดนั้นเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห4 5้อสี่สห้าปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้สัตยะขตุประมะ เป็นผู้แน่ น, นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมสกใช่ปรบุคคล น, นั้นเป็นสัตตัคขตุปร r ะ m ไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากบุคคลนั้นเป็นสัตตัคขตุป a r ะ a ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้สัตตัคขตุปร r ะ m เป็นผู้แน่ น, นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่ง สัตถคตุปรมัคถาจบ 6. โกลังโกละคถ า, าว่าด้วยบุคคลผู้โกลังโกละห4 6ปอรอท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้โกลังโกละ เป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกสองถึงสามครั้งใช่ไหมสกใช่ปอรอผู้นั้นเป็นโกลังโกละไม่ใช่หรือสอกอใช่ปอรอหากผู้นั้นเป็นโกลังโกละดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้โกลังโกละเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกสองถึงสามครั้งโกลังโกละกถาจบเจ็ดเอกรพีชีคาถา ว่าด้วยบุคคลผู้เอกพีชี647ปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้เอกพีชีเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกครั้งเดียวใช่ไหมสกใช่ปรผู้นั้นเป็นเอกพีชีไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากผู้นั้นเป็นเอกพีชีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า บุคคลผู้เอกับพีชีเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกครั้งเดียวเอกับพีชีคาถาจบ 8. ชีวิตเตอวโรปณะคถาว่าด้วยการปรองชีวิตห4 8อ้อสี่สิบแกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปรงชีวิตสัตว์ได้ใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ อาจงใจปรองชีวิตมารดาปรองชีวิตบิดาปรองชีวิตพระอรหันต์มีจิตคิด ป, ประทุษร้ายทำร้ายพระตถาคตจนพระโลหิตท่อทำลายสงให้แตกกันได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจงใจปรองชีวิตสัตว์ได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ไม่มีความเคารพในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลพู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดามิใช่หรือปรใช่สกหากบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้มีความเคารพในพระาศาสดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปรุงชีวิตจัต์ได้บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรมในพระสงฆ์ในศสกขาไม่ใช่หรือบรใช่สกหากบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีความเคารพในศสืขาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ อาจงใจปรงชีวิตสัต์ได้หกร้อยสี่สิบเก้าสกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิเป็นผู้ไม่มีความเคารพในพราษาสดาใช่ไหมปอรรใช่สกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิอาทายอุจระทายปัสสาวะรด ถ, ถมน้ำลายลงที่พระพุทธสถูวททำพระพุทธสถูปไว้ทางเบื้องซ้ายใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปรุงชีวิตสัตว์ได้ใช่ไหมปอรอใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์คาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเหมือนน้ำในมหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่งมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สก ดังนั้นท่านจึงเม่ควรยอมรับว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปรุงชีวิตสัตว์ได้ชีวิตตาโวโรปนกถาจบเก้าทุกขติกถาว่าด้วยทุกขติหกร้อยห้าสิบสอกรบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุกขติได้ใช่ไหมปอรรใช่สอกร บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิยังยินดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมปรใช่สกหากบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิยังยินดีในรูปที่มีในอบายท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลพู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิละทุคติได้สกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยจิฐิละทุคติได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิติ ยังยินดีในเสียงกลิ่นรสโพธพภะที่มีในอบายยังเสพเมถุนธรรมกับหญิงอมนุษย์กับสัตว์ดิริชานตัวเมียกับนางนาคยังรับแพะและแกะยังรับไก่และสุกรยังรับช้างโคม้าและลายังรับนกกระทานกคุ้มนกยูงและนกเขาใช่ไหมปรใช่สกหากบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ยังรับนกกระทานกคุ้มนกยูงและนกเขาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุขติได้หกร้อยห้าสิบเอ็ดสกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุขติได้บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังยินดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมปอรอใช่สกพระอรหันต์ละทุคติได้ แยังยินดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิละทุกติได้บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิยังยินดีในเสียงกลิ่นรสโพภพภะที่มีในอบายยังรับนกระทา น, นกคุ้มนกยูงและนกเขาใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ละทุกติได้ แต่ยังรับนกประทานกคุ้มนกยูงและนกเขาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ละทุกขติได้และไม่ยินดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมปรใช่สกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละทุกขติได้และไม่ยินดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ละทุกขติได้ และไม่ยินดีในเสียงกลิ่นรสโภทภะที่มีในอบายไม่เพเมถุนทรรมกับหญิงอมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานตัวเมียกับ น, งนางนาคไม่รับแพะและแกะไม่รับไก่และสุกรไม่รับช้างโคมา้าและลาไม่รับนกกระทา น, นกคุ้มนกยุงและนกเขาใช่ไหมปรใช่สกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุกติได้ และไม่รับนกกระทานกคุ้มนกยูงและนกเขาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยห้าสิบสองปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุกติได้ใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังเกิดในนรกในกาเนิดเดรฉานยังเกิดในภูมิแห่งเปรยใช่ไหม สกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจึงละทุกขติได้ทุกขติกถาจบสิทสัตตมภวิกะกถาว่าด้วยบุคคลผู้มีภพที่เจ็ดห้อยห้าสิบสามปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้มีภพที่เจ็ดละทุกขติได้ใช่ไหมสกใช่ ปอรอบุคคลผู้มีพบที่เจ็ดพึงเกิดในนรกในกำเนิดเดรฉานในภูมิแห่งเปรตได้ใช่ไหมสก่ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอดังนั้นบุคคลผู้มีพบที่เจ็ดจึงละทุกขติได้สตมาวิกะกา ถ, าถาจบทวาทศสมวัคจบรวมคาถาที่มีนิวกค์นี้คือหนึ่งสังวโรกรมันติคาถา 2. กรร ม, มกถาสามสัทโทวิปา ก, กติกถา 4. ส, สลายตนะกถา 5. สัตตกตุปรมกถา 6. โกลังโกละกถา 7. เ, เอกพีชีกถา 8. ชีวิตาโวโรปนะกถา 9. ทุกติกถาส0สัตตมภวิกกถา เตรสะมะวัคหนึ่งกับปัตทะกถาว่าด้วยผู้ดำรงอยู่ได้ตลอดกลับห5 4อ้อยห้าสิบสี่กบุคคลผู้กลับปัตทะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับใช่ไหมปรใช่สกกลับดำรงอยู่และพระพุทธเจ้าก็อุบัติในโลกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลผู้กับปัตหะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรใช่สกกับดำรงอยู่และประสงค์แตกกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้กับปัถะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรใช่สกกับดำรงอยู่และบุคคลผู้กับปัถะก็ทำกรรมอันเป็นเหตุให้ตั้งอยู่ตลอดกับใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้ น, นสกบุคคลผู้กลับ Support ป well. ัตตะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับใช่ไหมปอร์ใช่สกกลับดำรงอยู่และบุคคลผู้กลับปัตตะทำกาละใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อห้าสบห้าสกบุคคลผู้กลับปัตตะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับใช่ไหมปอร์ใช่สก พึงดำรงอยู่ตลอดกลับที่เป็นอดีตตลอดกลับที่เป็นอนาคตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้กลับปัตหะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับใช่ไหมปรใช่สกพึงดำรงอยู่ตลอดสองสามสี่กลับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยห้าสิบหกสก บุคคลผู้กับปัตหะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้กับปัตหะเมื่อกับถูกไฟไหม้ไปที่ไหนปรไปโลกาธาตุอื่นสกตายไปหรือเหาะไปปรตายไปสกกรรมที่เป็นเหตุให้ตั้งอยู่ตลอดกลับเป็นกรรมให้ผลในภพ ต, ต่อต่อไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกเหอไปได้ใช่ไหมปร وا. ใช่สกบุคคลผู้กลับปัตะเป็นผู้มีริช่ไหมปร وا. ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้กลับปัตะเป็นผู้มีริช่ไหมปร وا. ใช่สกบุคคลผู้กลับปัตะเจริญอิธิบา ท, ทาคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหมปร وا. ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 657. ปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้กลับปัตะยังดำรงอยู่ได้ตลอดกลับใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ทําลายสงให้แตกกันยินดีในการแตกกันอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกลับพลาดจากนิพพานอันเป็นธรรมเกษรรมจากโยคะ สวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสงที่สมคีกันให้แตกแยกกันมีอยู่จริงนี่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นบุคคลผู้กับปัถะจึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับกับปัถะกะถาจบสองกุศลปฏิลาภกะถาว่าด้วยการได้จิตที่เป็นกุศลห5 8้อยห้าสิบปด สกบุคคลผู้กลับปัตหะไม่พึงได้จิตที่เป็นกุศลใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลผู้กลับปัตหะพึงให้ทานใช่ไหมปอรอใช่สกหากบุคคลผู้กลับปัตหะพึงให้ทานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้กลับปัตหะไม่พึงได้จิตที่เป็นกุศลสกบุคคลผู้กลับปัตหะไม่พึงได้จิตที่เป็นกุศลใช่ไหม ปอรอใช่สกบุคคลผู้กลับปัตหะพึงถวายจีวรบินทบาทเสนาสนะชลานปัจจัยเพสัตบริขารของขบเคี้ยวของบริโภคน้ำดื่มพึงวาดพระเจดียกดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้บูชาพระเจดียทำประทักษิณพระเจดียใช่ไหมปอรอใช่สกห้าบุคคลผู้กลับปัตะ พึงทำประทักษิณพระเจดีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้กับปัตะไม่พึงได้จิตที่เป็นกุศลหกร้อห้าสเก้าปรบุคคลผู้กับปัตะพึงได้จิตที่เป็นกุศลใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลผู้กับปัตะพึงได้จิตที่เป็นกุศลเป็นเหตุออกจากจิตที่เป็นอกุศลนั้นใช่ไหมสกใช่ปร พงได้จิตที่เป็นกุศลที่เป็นโรบาวจรอรบาวจรโลกุตระใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นกุศลปฏิลาภากถาจบสอันันตราปยุตตะกถาว่าด้วยบุคคลผู้ใช้ให้ทำอันันติยกรรมหร้อยหกสิบปรบุคคลผู้ใช้ให้ทำอันันติยกรรมเพิงก้าวลงสู่สมัมตนิยามได้ใช่ไหม สกใช่ปรพึงก้าวลงสู่มิจฉาตานิยามและสัมมตานิยามทั้งสองใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรมพึงก้าวลงสู่สัมมตานิยามได้ใช่ไหมสกใช่ปรกรรมที่ใช้ให้ทำนั้นขอความรำคาญใจให้ให้เกิดความเดือดร้อนใจไม่ใช่หรือสอกอใช่ ปราหากกรรมที่ใช้ให้ทํานั้นก่อความรําคาญใจให้ให้เกิดความเดือดร้อนใจได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ใช้ให้ทําอนันตริยกรรมพึงก้าวลงสู่สัมมตนิยามได้หกร้อยกสอกอบุคคลผู้ใช้ให้ทําอนันตริยกรรมเป็นผู้ไม่ควรก้าวลงสู่สัมมตนิยามใช่ไหมปรใช่สกเขาได้ปรองชีวิตมารดา ปรงชีวิตปิดาโปรงชีวิตพระอาหารหันต์มีจิตคิดประทุษร้ายทำร้ายพระตถาคตจนพระโลหิตห่อทำลายสงให้แตกกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริกรรมล้มเลิกกรรมนั้นแล้วบรรเทาความรำคาญใจกำจัดความเดือดร้อนใจได้แล้วเป็นผู้ไม่ควรกล่าวลงสู่สัมมตนิยามใช่ไหมปรใช่ สกเขาปรุงชีวิตมารดาปรุงชีวิตปีดาทำลายส่งให้แตกกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ใชใ้ทำอนันตริยกรรมล้มเลิกกรรมนั้นแล้วบรรเทาความราคาญใจกำจัดความเดือดร้อนใจได้แล้วเป็นผู้ไม่ควรก้าวลงสู่สัมมตันนิยามใช่ไหมปรใช่สกเขาล้มเลิกกรรมนั้น บรรเทาความรำคาญใจกำจัดความเดือดร้อนใจแล้วไม่ใช่หรือปรใช่สกหากเขาล้มเลิกกรรมนั้นแล้วบรรเทาความรำคาญใจกำจัดความเดือดร้อนใจได้แล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู yes. ้ใช er ้ใธรรมอนันตริยกรรมล้มเลิกกรรมนั้นแล้วบรรเทาความรำคาญใจกำจัดความเดือดร้อนใจได้แล้วเป็นผู้ไม่ควรก้าวลงสู่สัมถตนิยาม หกรสองปรบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตรียกรรมพึงก้าลงสู่สมณตนิยามได้ใช่ไหมสกใช่ปรเขาเป็นผู้ใช้ให้ทำกรรมนั้นไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากเขาเป็นผู้ใช้ให้ทำกรรมนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตรียกรรมพึงก้าวลงสู่สมณตนิยาม อนันตระประยุตตกะถาจบสนิยตตานิยามกถาว่าด้วยนิยามของบุคลนนบคลผู้แน่นอนหกร้อยหกสิบสามสอกบุคคลผู้แน่นอนก้าวลงสู่นิยามได้ใช่ไหมปรรใช่สอกอบุคคลผู้แน่นอนในมิจฉั ต, ตะก้าวลงสู่สมมตานิยามได้บุคคลผู้แน่นอนในสมมตะ ก็กลาวลงสู่ม hmm? ิจฉาตานิยามได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้แน่นอนก้าวลงสู่นิยามได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้แน่นอนเจริญมรรคมาก่อนแล้วจึงก้าวลงสู่นิยามในภายหลังใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้แน่นอนเจริญโสดาปฏิมรรคมาก่อนแล้ว จึงก้าลงสู่โสดาปตินิยามในภายหลังใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้แน่นอนเจริญสกทาคามิมักอนาคามิมักอรหัตมิมักมาก่อนแล้วจึงก้าวลงสู่อรหัตตนิยามในภายหลังใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้แน่นอนเจริญสติปทานสัมมปบทานอิทิบาทอินทรีย์พละ โคดโชงมาก่อนแล้วจึงก้าวลงสูญนิยามในภายหลังใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยหกสิบสี่ปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้แน่นอนก้าวลงสูญนิยามได้ใช่ไหมสกใช่ปรพระโพธิสัตว์เป็นผู้ไม่ควรจะบรรลุธรรมในชาตินั้นใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้น บุคคลผู้แน่นอนจึงก้าวลงสู่นิยามได้นิยตสันนิยามกราจบหนิวตตะกราว่าด้วยผู้มีจิตถูกนิวางครอบงำหร้อหกสบห้าสกบุคคลผู้ถูกนิวางครอบงำและนิวัได้ใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลผู้กำหนดแล้วและราคา ผู้ขัดเพืองแล้วละโทสะผู้หลงแล้วละโมหะผู้เืร้าห่องแล้วละกิเลสได้ใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลละราคะด้วยราคะละโทสะด้วยโทสะละโมหะด้วยโมหะละกิเลสด้วยกิเลสใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกราคะสัมยุญด้วยจิตมักก็สัมยุญด้วยจิตใช่ไหม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 มาประชุมกันได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยหกสิบหกสกสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีดที่เป็นฝ่ายดําเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรใช่สกเพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย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 สภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมาประชุมกันได้สกบุคคลผู้ถูกนิวรังครอบงำและนิวรได้ใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมออาะกับการใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอ ย, อย่างนี้ ย่อมน้อมจิตไปเพื่อยานเป็นเครื่องสิ้นอาสวะมีอยู่จริงมิใช่หรือปรใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ถูกนิวรณ์ครอบงำและนิวรณ์ได้ครก้อยหกสิบเจ็ดปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ถูกนิวรณ์ครอบงำและนิวรณ์ได้ใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุนั้นเมื่อรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสะวะบ้างจากอวิชชาสะวะบ้างมีอยู่จริงนิช่หรือสกอใช่ปรดังนั้นบุคคลผู้ถูกนิวรัครอบงำจึงละนิวรัได้นิวตตะกถาจบ